บันี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสึกต่อไปธรรมะปฏิบัติในส่วนที่เรียกว่าภาวนาที่ท่านจำแนกออกเป็นสองฝ่ายคือมัศสมะตาภาวนาการทำใจให้สงบดูกับอารมณ์กรรมฐานก็ใดคนหนึ่ง โดยมีอุปการธรรมที่สำคัญสามประการคือสติความระลึกได้สมัญญะความรู้ตัวและอัตตาปะคือความเพี่ยนพยามที่มีการกระทำอย่างต่อเนื่องจนจิตมีความสงบตั้งมั่นในระดับต่างๆจนถึงตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอยู่ในอารมบนั้นนั้ น, นเรียกว่า สมถกรรมฐ า, านในส่วนอาการนั้นบางอย่างบางครั้งก็เรียกว่าสมาจิคือจิตที่ตั้งมัน่นบางครั้งก็เรียกว่าเอกอกตาคือจิตจะรวมอยู่ในอารมณ์เดียวไม่สายไปตามสภาพปกติของจิตเพราะจิตของคนเรานั้นโดยธรรมชาติแล้วลิ้นรนกัดแกวง่งห้ามยากรักษายาก มักจะสายไปในอารมณ์ที่จิตคุ้นจิตของบุคคลระดับกาเมาวจรภูมหรือท่องเที่ยวอยู่ในกามนั้นส่วนใหญ่ก็จะเนียวดึกตรึกนึกไปถึงเรื่องวัตถุการามทั้งหลายที่ใจตนกำหนดว่าน่าใครน่าปรารถนาน่าพอใจวัตถุกรรมเหล่านั้นอาจจะเป็นอารมณ์ที่ผ่านมาแล้วในอดีต แต่ยังมีความกหนัดเพลิดเพลินยินดีเยื่อใยอะไรอยู่ใจก็ย้อนกลับไปเหนียวนึกตรึกนึกถึงเรื่องเท่านั้นโดยความเสียดายด้วยความปรารถนาที่จะย้อนกลับมาหวนคืนกลับมาตามที่ตนต้องการปรารถนาแต่เมื่อคิดแล้วคิดอีกไม่เป็นไปตามที่ตนต้องการก็เกิดอาการซึมเศร้าบางครั้งก็ จะมีอาการของนิวรณ์ปรากฏขึ้นในรูปลักษ์ต่างๆและอารมณ์ที่นํามาเดี่ยวนึกนั่นเองบางครั้งก็เป็นเรื่องของปัจจุบันที่เราสัมผัสโ ด, ดยตาหูจมูกลิ้นกายในขณะนั้นๆหรือเดี๋ยวนึกด้วยใจ ใ, ในขณะนั้นอาการของกิเลส ก, ก็จะปรากฏขึ้นตามการเดี๋ยวนึกตึกนึกของใจ และบางขณะใจก็ข่อยคว้าปรารถนาอารมณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากถึงในสิ่งที่ใจเรากำหนดว่าน่าใครน่าปรารถนาหน้าพอใจเช่นเดียวกันหรืออาจจะมองไปในเรื่องที่เราไม่ต้องการปรารถนาก็ตามเป็นลักษณะของจิตเขาก็แล่นเขาอย่างนั้นาการฝึกปลือให้จิตรวมเป็นสมาธิโดยวิธีภาวนา เป็นคำสอนในบุคคลปฏิบัติในแนวกับแนวเดียวกับรับประทานยาหรือรับประทานอาหารหมายความว่าเพิ่มปริมาณอาหา ร, หรอปริมาณยาลงไปอาหารลยาเหล่านั้นก็จะทำหน้าที่ของตนคือกะจัดสาเหตุของปัญหาคือโรคหรือความขิวเมื่อสาเหตุถูกกะจัดไปอาการคือโรคหรือความผิวก็สงบไปความสบายก็เกิดขึ้น ตัวในแนวที่เรียกว่าวิปัสสนานั้นส่งเน้นไปที่การใช้ปัญญาพินิพจนรณาซึ่งไม่จำเป็นจะต้องมีรูปแบบอะไรประเด็นสำคัญอยู่ที่ใจสามารถระลึกรู้สิ่งทั้งหลายที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของตนโดยมีปัญญาเข้ากํากับมีสติเข้าสนับสนุนมีความเพียรเป็นแรงผลักดัน ให้การใช้ปัญญาพินิจพิจาราอย่างต่อเนื่องจนเข้าถึงใจและสิ่งเหล่านั้นมีอยู่ภายในใจนึกจะใช้เมื่อไหร่ก็ใช้ได้จนถึงกับรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายแตะสามารถถ่ายถอนกิเลสออกไปจากใจได้โดยลาดับจนถึงจุดที่สมบูรณ์แนวการปฏิบัติแนวนี้เป็นการกล่าวโดยสรุป ซึ่งในกลุ่มของธรรมะที่เราปฏิบัติก็จะพบว่ามันมีทั้งกลุ่มของศีลสมาธิและกลุ่มของปัญญาเพียงแต่ว่าระดับสมถกรรมฐานนั้นจะมีระดับศีลกับระดับสมาธิที่มีความสมบูรณ์ขึ้นไปโดยลำดับส่วนปัญญาก็รองลงมาแต่ถ้าเป็นระดับของวิปัสสนาแล้วก็จะมีปริมาณของศีลสมาธิปัญญาที่เด่นชัด เพราะถ้ามาอย่างนั้นแล้วปัญญาจ ะ, ะไม่อาจขจัด ก, กิเลสได้ถ้าหากว่าศีลเรามีความบกพร้องหรือสมาธิเรายังอ่อนโยนและในระดับของสมาธิหรือแม้ระดับของวิปัสสนาก็ตามถึงจุดหนึ่งเมื่อปฏติบัติไปบรริบัตไปได้ระดับหนึ่งมันจะเกิดอาการที่มีการสวดมีการรัตนากรรมฐานกันใตนตอนต้นวราวัดสี คือจิตใจจะมีความสำนิกสำนาญในเรื่องนั้นๆก็แล้วแต่ว่าใครจะเจริญกรรมฐานคนใดภาษีประการแรกก็คืออาวัจนะัาษีมีความสำนาญในการเหนียวนึกการตรึกนึกถึงอารมณ์ของกรรมฐานที่เราใช้รูดึก เช่นสามารถระลึกให้จิตอยู่กับพุโทโธได้อย่างตอเ น, นื่แล้วจะเหนี่ยวมาใช้ระลึกแนวการใดก็ได้อาจจะนั่งอยู่ในรถอาจจะนอนอยู่ที่บ้านหรืออาจจะทํางานต้องการจะพักผ่อนใจแต่ไม่ต้องการให้ใจวิ่งพร่านไปใจก็ไปเหนี่ยวเอาพุโทโธเข้ามาไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวของใจจนสามารถทําสิ่งเหล่านั้นได้โดยอัตโนมัติ เพราะฉั้นอาการของวสีที่จริงก็มีทั่วๆไปในเรื่องทั้งหลายท่านที่มีความจนนานิชํานาญอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึง่งมีคนถามปัญหาให้ตอบถามปั๊บก็ตอบผู้บางทีถามยังไม่จบก็ตอบได้แล้วนั่นแสดงให้เห็นถึงความชํานิชํานาญในการเหนียวนึกการตรึกนึกจนเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติคล้ายๆกับไม่ได้คิด แต่การจะเกิดอาการเช่นนั้นขึ้นมาได้ก็ต้องมีการสะสมในเรื่องนั้นๆอย่างชำ น, นิชานาญจริงๆแต่นั้นผู้ปฏิบัติธรรมะจะสังเกตได้ว่าเรื่องบางเรื่องเราไม่ชำ น, นาญไม่ได้ใช้บ่อยๆไม่ได้ทำบ่อยๆไม่ได้นึกบ่อยๆพระบทจะต้องใช้ขึ้นมาปรากฏวันนึกไม่เคอยออกเรานึกออกก็ขาดความต่อเนื่อง อาจจะนึกได้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นๆแต่ก็มีบางอย่างมันนึกไม่ได้เพราะลักษณะของวั ส, สีซึ่งบางครั้งท่านเรียกอาจจะเรียกวาวัต ส, สินจึงเป็นเรื่องที่จะต้องมีประสบการณ์ในเรื่องนานๆซ้ำๆ ซ, ซ, ซากๆมาหรือผ่านมาแล้วผ่านมาอีกจะแนวคล้ายๆกับการท่องสูตรคูณ เราจะเห็นว่าบางครั้งเราต้องการจะคูณเลขจะน่าจะเริ่มมาจากสองหนึ่งสองสองสี่ก็ว่าไปเรื่อยจึงคูณได้แต่ถ้าเรามีความจำนิจจำนาญแล้วพอนึกปั๊บก็คูณได้ปุ๊บเห็นปั๊บก็บวกไปปุ๊บว่า จ, จะมาถึงจุดนี้มาถึงอย่างนี้ก็ต้องผ่านงานในลักษณะนี้มากการจเจริญกรรมาฐานก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน ความชำนานในการเหนียวนึกการตึกนึกถึงอารมณ์กรรมฐานที่ท่านเรียกว่าธรรมวิตกคือตึกนึกถึงธรรมะนั้นเราก็ต้องชํานาญในการนึกมาแล้วถ้าขาดการฝึกปลือขาดการอบรมเราก็นึกไม่ได้ยังไม่ต้องดูอื่นไกลถึงระดับของกรรมฐาน แม้การจะทําใจให้อยู่โดยบทว่าอรหังหรือบทว่าพุทโธ ท, ที่เรามักใช้บอกกันก่อนที่จะดับจิตจิตใจจะต้องเสพเรื่องนั้นจนคุ้นจริงๆจึงสามารถภาวนาพุทโธได้สามารถภาวนาคำว่าอรหังได้แต่ถ้าหากว่าใจไม่เสพคุ้นใจไม่คุ้นเคยตอนนั้นประสาท ต, ต่างๆรับรู้อ่อนมีสมรรถภาพในการรับรู้อ่อนแม้ใจเองก็ไม่เข้มแข็ง สติโกชักจะเละเรืองฟั่นเฟือนอยู่แล้วเพราะการจะกําหนดเดียวนึกตุดนึกถึงเรื่องที่เราไม่คุ้นมันก็นึกไม่ได้อย่างที่ท่านเล่าถึงคนบางคนเป็นคนคิดเหนียวคอยบอกว่าอาราหังแกฟังเป็นอะไรหายนั้นแสดงถึงอาจารย์อาการของใจที่ไม่คุ้นต่อคำว่าอราหังหรือคนบางคนสะสมปานาติบาสมามากก็ว่ายภาวานาพุโทโธแกฟังเป็นปราเทโพเป็นต้น นี่คือลักษณะของจิตที่ไม่คุ้นเคยกับเรื่องอะไรก็ตามมันนึกไม่ได้ถึงแม้นึกก็ไม่คล่องแคล่วจำนิจํานานประการต่อไปนั้นก็คือสมาปัจจนะหมายความว่าจํานาในการที่ใจจิตอยู่ด้วยสมาธิหรือจิตอยู่ด้วยอะไรก็ตามแต่ว่าจะต้องอาศัยการฝึกปลือการกระทํามา ที่มีความคล่องแคล่วชำนิชำนาในช่วงแรกเราก็สามารถที่จะคุมจิตใจเราให้อยู่ด้วยอารมณ์กรรมฐ า, านได้เช่นบางคนใช้การนับไปอย่างต่อเนื่องพอนับปั๊บมันก็ไม่พลังไม่พลาดไม่เผลอไม่หลงไม่ลืมไม่ข้ามไม่ตัดตอนไปหรือบางทีใช้คาว่าภาวนาพุโทโธหรือแม้แต่อารมณ์อย่างอื่นก็ตาม หมายความว่าเรื่องเมื่อเราเนวนึกได้แล้วก็สามารถทำจิตได้อยู่กับอารมณ์หล่านั้นได้นานๆตามที่เราต้องการปรารถนาบางครั้งเป็นการสามารถตัดกระแสของอารมณ์เขยือยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึง่งแล้วก็พร้อมที่จะแสดงออกมาในเรื่องอืง่นเช่นตอนนี้ตั้งใจจะนอนก็นึกว่าจะนอนก็กาหนดเป็นนอนได้ เดี๋ยที่ท่านเล่าถึงนักปราดบางท่านเช่นสมเด็จพระมหาสมณเจา้ากรมพระยาเวสศยรโรรส ถ, ถึงเป็นนักปราดสำคัญของพระพุทธศาสนาเป็นอดีตเจ้า ว, วาดวัดนี้เลขาของท่านเล่าให้ฟังว่ากลางคืนนั้นทรงปรักสนคือแต่งสำหรับตำราดึกดื่นเช้งคืนเขียนลงกระดานชนวน เขีด้วยดินสอพองลงกระดานเสนวนลูกศิษย์ก็ลอกข้อความเหล่านั้นลงในกระดาษฝังทรงเขียนเรื่อยไม่หยุดปวเปรียปร้ยเพียขึ้นมากรับสั่งประเดี๋ยวฉันจะพักข้านาทีสิบนาทีย0สิบนาทีพอท่านบอกว่าท่านจะพักจะหลับก็หลับทันทีแล้วท่านกําหนดไว้ว่ากี่นาทีมันก็ตื่นได้ทันทีแบอบกว่าสิบนาทีท่านก็พอสินาทีท่านก็ตื่น สิบหนาที15านาทีทั้งก็ติงแต่จะไม่ใช้มากคกอใช้ประมาณจากมากก็20นาทีก็แสดงว่าในขณะนั้นอดเพรียเพลแรงมากต้องพักมากหน่อยก็ย0สนาทีพอตื่นแล้วก็ไม่ลังเลยอะไรคือต่อเ ข, ข้าป่าได้เลยเขียนค้างอยู่ตรงไหนก็ต่อได้ทันทีนั้นแสดงถึงการสามารถในการควบคุมประสิทธิภาพของจิต ให้เป็นไปตามที่เราต้องการวการควบคุมกระแสจิตในแนวนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับเราเอาน้ําไปไว้ในท่อยางแล้วต่อไปเราจะเวี่ยงไปไหนมันก็เวียงไปได้ใช้ประโยชน์ได้สารพัดเพราะเราคุมน้ําได้จิตใจเราก็เหมือนกันซึ่งกันไหลไปในอารมณ์ทั้งหลายนั้นถ้าเราคุมมาอยู่จุดใดจุดหนึ่งยังไม่ได้เราใช้ไปในกรณีอื่นไม่ได้ พนแนวการฝึกเหล่านี้แม้พวกกีฬาอะไรต่างๆก็จะเป็นเช่นเดียกันเราจะพบว่าเราต้องมีสนามสำหรับฝึกสักแห่งหนึ่งแต่จะฝึกที่ไหนก็ได้แต่พอเกิดความจานิยธรรนานแล้วมันก็เล่นได้ทุกสนามในโลกนี้ลักษณะของจิตใจก็เป็นเช่นเดียวกันถ้าเราฝึกปรือให้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งได้ต่อไปเมื่อนําไปใช้ในเรื่องอื่นมันก็นําไปใช้ได้ ระดับของการฝึกสมาธิเป็นระดับที่ใช้พลังจิตมา ก, กจิตมีความประณีตมากถึงหมายความว่าจะต้องมีความสงบลึกเป็นพิเศษแต่พอเราใช้ความสงบที่ลดหลั่นลงมาในชีวิตประจําวันนการอ่านหนังสือการจะนอนการจะทํางานหรือการจะเหนียวนึกจึนึกถึงธรรมะการจะไหว้พระสวดมนต์เป็นร่มก็ทําได้ไง่ายเพราะอะไรเพราะว่าใช้พลังสมาธิน้อยกว่า เหมือนเรายกของหนักได้พอถึงยกของเบามันก็เรืเ่องไปเรื่องง่ายสำหรับเราเพราะการชำนาญในการเหนียวนึกการสึกนึกถึงองค์ธรรมที่ใช้เป็นหลักในการปฏิบัติก็จะทำให้เกิดความจะนิชนานาในการทำให้จิตอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นได้นานๆจะเรียกว่าสมาปัจญานะวสีคือชำนาญในการจะอยู่ให้จิตอยู่ในเรื่องนั้นๆได้ แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีสิง่งที่เรียกว่าอธิษฐานะอธิษฐานนั้นก็นั้นจะมีอยู่สองลักษณะในช่วงแรกก็คือการอธิษฐานใจเช่นตัวอย่างสมเด็จพระนรุนทรยกไว้ในตอ น, ต, อนต้นหรือก่อนจะรับสั่งว่าหลับนั้นก็สรงอธิษฐานพระไตยว่าจะหลับเท่านั้นเท่านี้ แต่ก็ทรงฝึกปรือจนอธิษฐานได้จนทำได้กำหนดใจใใคล้ๆกับสั่งใจตัวเองไว้ได้เพราะแนวอธิษฐานระดับสมาธิก็เป็นเช่อเดียวกันหมายความมาตั้งใจที่จะอยู่ในสมาธิเท่านั้นเท่านี้จะเป็นการอธิษฐานสามระดับใหญ่ๆระดับหนึ่งคือระดับสมาธิ จะนั่งสมาธิจะเข้าสมาธิจะอยู่ในสมาธิในเวลาเท่านั้นทาน่านหนแล้วเมื่อถึงเวลาก็จะรู้สึกตัวออกจากสมาธิได้แต่ยิ่งว่าการเข้าสมาธินั้นเหมือนกับเดินเข้าไปแต่ตอนออกจากสมาธิก็เหมือนกับถอยหลังออกมาเพราะต้องํำนาญทั้งในตอนเดินเข้าไปแล้วก็อยู่ ก็ถอยหลังออกมาเมื่อตั้งใจจะอยู่ในสมาธิให้นานเท่าไรแบบสมาธิตามปกติก็ไม่ได้อยู่นานอะไรนักหนากานก่อติธรนั้นอยู่ได้ตามต้องการแต่ในขณะที่อยู่นั้นอนธิฐาน่าือใจมันตั้งมันอยู่กับเรื่องเหล่านั้นอย่างมั่นคง เป็นว่าต่มีตัวกระแทกแรงๆมาจากข้างนอกเพราะถ้าเป็นระดับสมาธิจริงๆทนทานตัวรมข้างนอกได้ไม่มากเจตสมมติว่ามีเสียงดังเกิดขึ้นสมาธิก็แตกถ้าระดับสมาธิแล้วเก่งยังไงก็แตกเพราะอะไรเพราะว่าใจไม่ได้อยู่ลึกเท่าไรระดับต่อไปเป็นระดับฌานหมายความว่าสมาธิที่ลึกเพิ่มขึ้น เป็นสมาธิที่แน่วแน่แต่มันอนึกว่าจะเข้าฌานให้จิตอยู่ในฌานก็อธิษฐานให้อยู่ในฌานได้จิตจะมีความสงบลึกกว่าเดิมแต่ถ้ามีอะไรแรงๆก็เอาไม่อยู่เหมือนกันถ้าเป็นระดับการเข้าฌานเฉยๆระดับที่สามนั้นก็คือเข้าฌานนั่นเองแต่เข้าลึกไปรูปอธิษฐานนา น, านก็เรียกเข้าสมาบัติ อาจจะอยู่ถึงสามวันเจ็ดวันถึงอาจจะถึงสิบห้าวันแต่ท่านเข้าของท่านเต็มที่ให้ฟ้าผ่าฟ้ า, ฟ า, ฟาร้องแผ่นดินไหวก็ไม่รู้สึกตัวคราวนี้ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเป็นนิพพานได้ไปพบกับก็ที่จริ ง, รงก็อดีตสิทธิ์ร่วมสำนักคือเป็นลูกศิษย์ของท่านอนลาดาบทเหมือนกัน เด็กเขาก็เล่าว่าท่านอาจารย์ของเขานั้นสามารถเข้าสมาธิจนผลตกเนี่ไม่รู้สึกตัวพือเจ้าบอกว่าเป็นเรื่องเป็นไปได้เป็นเรื่องปกติธรรมดาระดับนั้นพระองค์เองก็เคยเข้าสมาบัติอยู่กลางแจ้งเข้าไปได้ หน่อยหนึ่งปรากฏว่าเกิดพายุแรงขนคว้าขนองต้นไม้หักโค่นหรือคว้าผ่าโคตรงนั้นตายไปสองสามตัวเราจะว่าลมก็ดีฝนตกก็ดีฝนตกกับลมในที่จริงกระทบในส่วนพระวรกายคว้าผ่าก็กระทบทางหูแต่ว่าไม่ได้ยิน นั้นแสดงถึงจิตใจที่ตั้งอยู่มั่นคงในระดับของสมาบัติเพราะท่านท่านเหล่านี้อย่างที่ท่านล่าว่าแม้ใครจะทำอะไรตอนนั้นก็ เ, เรียกว่าฌานมันปกแผ่อยู่ก็จะไม่เกิดอันตรายเนปนะาษาริบุตรนั่งสมาบัติถูกนันทยักดีหัวก็เป็นไน ที่ท่เคยเล่าถึงเรื่องพระปัจเจกพูดใจเจ้าที่นั่ง้าสมาบัติอยู่แล้วก็มีคนเผาไฟทุกลามไปไหม้เอาท่านพอถึงคราวท่านออกจากที่หลังจากอธิษฐานไว้กี่วันถึงวันนั้นท่านก็ออกมาําปกติไม่มีรอยแผลผู้พองอะไรใดประการใดนั่นคือฌานที่ปกแผ่ฌานที่รักษาไว้ใครจะทำอันตรายอะไรไม่ได้ในช่วนั้น ไม่ ว, ว่าจะเป็นระดับโลกียะหรือโลกุตราก็ตามนี่คือแนวที่ท่านเรียกว่าอธิฐานะคือชำนาญในการอธิฐานจิตและชำนาญในการที่จะให้จิตอยู่ตามที่ตนต้องการเมื่อราเข้าสมาธิก็ดีเข้าฌานก็ดีหรือแม้แต่เข้าสมาบัติก็ดี่ถึงจุดหนึ่งก็ต้องออก รองอนั้นก็ต้องมีความชำนิชำนาญในการออกท่านจึงเรียกวุฒิฐานวสีคือชำนาญในการจะออกจากสมาบัติหรือออกจากสมาธิก็เป็นลักษณะค่อยๆ อ, ออกในตนันหลายลองสังเกตว่าถ้าเราได้สมาธิกระดับหนึ่งแล้วใครเกิดทําให้ตื่นนนันใจจะเต้นแรงเราจะรู้สึกเหนื่อยแทนที่จะมีเรี่ยวแรงมีความกระปรี้กระพร้าเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะถูกออกเร็วเกินไป ตอนนี้เค่อยๆถอนจิตออกมาทั้อมองคล้ายๆเราเดินถอยหลังออกมาจากสถานที่ที่เราเข้าไปใจจะค่อยๆปรับตัวเองลักษณะการปรับตัวเองก็เหมือนกับการปรับตัวเวลาเรากระทบกับอากาศต่างๆเช่น่งๆมันเกิดร้อนจัดหนาวจัดขึ้นมาร่างกายจะปรับไม่ทันก็จะมีปัญหาในด้านสุขภาพกาย จิตใจเราก็เป็นเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเกิดอะไรแรงขึ้นมา น, นิ่งไปออกสมาธิพุดพลาดหรือแม้แต่นั่งสงบสง บ, สงบอยู่ใครทำให้ตกใจตื่นก็คล้ายๆอย่างนั้นจิตใจเราก็จะผิดปกติไปเพราะฉะันจะต้องชำนาญในการทั้งเข้าทั้งอยู่แล้วก็ทั้งจะออกมามีความชำนาญตั้งแต่นึกมา แต่ข้อสุดท้ายนั้นจะเห็นได้ว่าใช้ปัญญาเป็นหลักที่จริงทุกข้อก็เป็นอาการของปัญญาที่ชํานาญแต่ในจุดนี้ก็คือการเหนี่วเนื้อการตรึกนึกการพินิจพิจารณาเรียกว่าปัจจเวคขณะวสีท่านสาชนรณก็นึกออกคำว่าปัจเาาปจเวคขณะโราภาณพินิจปัจจเวคขณะ คือสิ่งที่จะต้องพิจารณาหนึ่งๆพิจารณาบ่อยถึงความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพลาดก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่มีใครจะผ่านพ้นไปได้แล้วก็พิจารณาเรื่องของกรรมและในขณะเดียวกันก็มีคำในลักษณะนี้ที่ทรงใช้ยอยู่เป็นอัรมากเช่นพระก่อนจะขณะรับอาหารจากชาวบ้านก็ตักบาตรนั้นก็พิจารณาก็เรียกว่าปัจเจะเวขณนะ ขณะบริโภคใช้สอยปัจจัยสก็ต้องพิจารณาท่านเรียกว่าพิจารณาในขณะนั้นๆปัจจวบขณะเหมือนกันหลังจากบริโภคใช้สอยปัจจัยสี่ไปแล้วก็ต้องพิจารณาย้อนอนดีตคือนึกถึงอารมณ์ต่างๆในอนดีตขึ้นมาพิจารณาแต่บางครั้งสงวางเป็นสูตรในการตรวจสอบตัวเองสร้างจิตสํานึกของตัวเองให้ปฏิบัติตนให้เหมาะสมแก่สถานภาพของตน ต้าในส่วนที่เป็นภารกิจและก็ส่วนที่เกี่ยวข้องกับปรากฏการธรรมชาติและส่วนของธรรมปฏิบัติก็เรียกว่าปัจเปจเวกขณะแล้วปัจจเวกเหล่านี้จะไปเรื่อยๆจนถึงระดับปิปัสนาญาณก่อนจะบรรลุมรรคผลนิพพานก็มีปัจจเวก ถึงก็หมายความว่าพิจารณาเจาะลึกลงไปในเรื่องดนพิจารณาเฉพาะเรื่องนั้นๆปัจเจกก็คือเฉพาะพิจารณาเฉพาะเรื่องนั้นๆไม่ได้พิจารณาด้ยวยกิเลแล้วก็เจาะลึกในรายละเอียดเพราะเราจะเห็นว่าการเหนียวนึกการตรึกนึกถึงอารมณ์ของกรรมฐานที่เรียกว่าอาวัศนะวสีนี้ เราถ้าเป็นการเหนียวนึกตรึกนึกที่ไม่สูตรคล้องกับสภาพจิตของเรากับประฐานบางข้อไม่ถูกอธิยาไซกับเราคนบางคนก็ทําได้ดีเราทําไม่ได้ตัวนี้จะต้องพิจารณาว่าต้องเปลี่ยนเพื่อให้เกิดเป็นเกิดเป็นธรรมสัพปะยะคือธรรมะที่นํามาเหนียวนึกตรึกนึกนั้นให้ความสบายแก่เราจิตคุ้นจิตมีความพอใจยินดีอิทิบาทมันเดินได้ หรว่ในขณะที่อยู่ในสมาธิก็ต้องพิจารณาเหมือนกันว่ามันเป็นสมาธิจริงหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะว่าสมาธินั้นจะต้องสงบจากกาปฉะชันแต่ในขณะที่สงบนั้นก็มีสติมีสัมมาัญญารู้อยู่ไม่จะหลับหายไปเลยเพราะอาการน้อมของจิตก่อนจะหลับกับก่อนสมาธิที่จริงก็คล้ายๆกัน แต่หลับก็คือหลับแต่บางครั้งเราหลับรกฝันต่อไปเลยจากอารมณ์กณ่อนที่จะหลับต่ราขาปัญญาตรวจสอบในการพิจารณาอาจจะเข้าใจตรงนี้คือนิมิตคืออะไรในกรรมฐานก็ได้เราจะยุ่งกันใหญ่อันนั้นที่จริงเป็นสัญญาในอนดีตเดี๋ยวมันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอิทธิไ้มีการฝัน แล้วเก็มาทึกทักเอาเป็นเรื่องจริงกลายเป็นอกฝันเป็นจริงสแสดงว่าไม่จานาญทั้งสองอย่างคือไม่จานาญทั้งในการเข้าสมาธิและในการพิจารณาพราะก็ต้องมีการตรวจสอบซึ่งจุดนี้ก็จะพบหลักเดิมที่ว่าผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองหรว่าบรรยูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตน ก็ทำนองคล้ายๆกับการพิจารณาตรวจสอบถึงอาหารถึงอากาศถึงอะไรเราเข้าไปสัมผัสเกี่ยวข้องในการตรวจสอบในการพิจารณานั้นก็จะมีการเทียบเคียงมีการพิสูจน์มีการทดลองจึงเกิดเป็นความคล่องแคล่วจะไม่ชำนาญในเรื่อนี้เราจะเห็นว่าคนโบราณท่านฝึกสวดอิติปิโสแปดด้านอิติปิโส8ทิศอิติปิโสถอยหลัง อิทธประสงคปมันหมุนไปไม่รู้สักกีแ่แนวเป็นการฝึกจิตให้เกาะแน่นอยู่กับบทพระพุทธคุณเหล่านั้นแยกเอาไปตัวเป็นตัวเป็นตัวทำเป็นรูปร่างต่างๆมากมายแต่ก็ฝึกให้จำนิจจำนัญจนสามารถกระโดดข้ามกลับไปกับมาได้ทำนองคล้ายๆกับอ่านอักษรไข่อะไรตนนี้หรือว่าท่องสูตรคูณถอยหน้าถอยหลังได้ คือว่าได้ทั้งทุกด้านว่าลงก็ได้ว่าขึ้นไปก็ได้ว่าตัดก็ได้แล้วก็โดดข้ามไปข้ามมาได้ถ้าเราสังเกตเราสมมติว่าเขาจะให้เรียงเรื่องอริมัคคีองค์8เราสามารถพูดกระโดดกลับไปกลับมาได้ตามลำดับก็ได้เรียงมาตามลำดับแล้วก็ย้อนลำดับก็ได้ในขณะเดียวกันกระโดดข้ามไปกระโดดข้ามมาได้ แสดงว่าประสิทธิภาพในการเหนียวนึกการตรึกนึกการพิจารณากานทำได้เร็วจนคล่องเป็นปรากฏการณ์ทางจิตที่ทั้งหมดนั้นจะต้องมีการฝึกปรือมีการกระทาบ่อยๆกระทำเนืองเนืองว่าแนวตรงนี้ที่ออกไปเป็นรูปที่ท่านเรียกวิริษต่างๆวิริษก็คือความชำนาญในกระบวนการทางจิตเป็นความชนานาญเฉพาะผลแต่ น, นั้น ฝึกซ้ำแล้วซ้าอีกซ้าแล้วซ้าอีกถามมากี่ครั้งกี่ขนก็นับกันไม่หวไม่ไหวเรียบไปก็เหมือนกับพวกกรีธาหรือกีฬาทั้งหลายที่มีการเล่นกันเราเจว่าคนเหล่านี้ทำอะไรก็ได้ ช, นชนานิชานาในสายขเขาเขาถามว่าเราทำได้ไหมเราก็ทำไม่ได้มีคนทำได้ไหมก็มีคนทำได้แล้วใครเป็นคนทำได้คือคนที่ฝึกปรือมาเป็นอย่างดีแล้ว วสีจึงเป็นอาการของการสะสมประสบการณ์ทั้งในด้านของการนึกถึงอารมณ์กรรมฐานในด้านของการเข้ากรรมฐานในด้านของการให้จิตสงบอยู่กับสมาธิในด้านที่จะถอนจิตออกมาจากสมาธิและทุกขั้นตอนจะต้องมีการพิจารณาผลตัวพิจารณาก็คือตัวปัญญาคล้ายๆกับเรื่องอิทธิบาท เราเห็นว่าความพอใจก็ต้องผ่านการพิจารณาความเพียรก็ต้องผ่านการพิจารณาจิตใจที่มุ่งมั่นไปก็ต้องมีปัญญาเข้าพิจารณาคือกำกับบรรทุกจุดต่อนีไปก็ขอให้ตั้งใจกับความสงบส่อต่อไป